ต่อไป น, นี้จะได้เริ่มพูดธรรมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นเวลาที่เราจะมาสนทนาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ก็จะพูดเรื่องของการหาความสุขของพวกเราการหาความสุขของพวกเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความสุข แบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเป็นความสุขที่จะให้ความหิวความอยากปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอได้ความสุขทางตาหูจบุกลิ่นกายเดี๋ยวความสุขนั้นก็จะหมดไปแล้วความอยากได้ความสุขนั้นก็เกิดขึ้นอีก ก็ต้องหาความสุขใหม่อีกหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายใหม่ถ้าหาได้ก็ได้ความสุขใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าหาไม่ได้ถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ซึงกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอ่านี่เป็นวิธีหาความสุขแบบหนึ่งซี่ที่คนส่วนใหญ่ที่เกิดมาในโลกนี้จะรู้จักกันแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมามีความสุขในรูปแบบหนึ่งเป็นความสุข ที่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันเป็นความสุขทางใจที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทาน ความสุขเกิดจากการรักษาศีลภาวนานี่เป็นความสุขแบบที่ดีกว่าความสุขแบบความสุขทางร่างกายความสุขในโลกนี้มีสองแบบด้วยกันความสุขกายและความสุขใจ ความสุขกายนี้จะต้องจบลงด้วยความทุกข์เสมอเพราะเป็นความสุขแบบไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่จะไม่อยู่ติดไปกับใจส่วนความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่อยู่กับใจต่อไปอยู่กับใจได้นาน และถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะสามารถทำให้เป็นความสุขที่ถาวรได้เป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดใจจะมีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยนี่แหละเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบ และส่งนำเอามาสัมสอนมาเผยแผ่ให้กับพวกเราที่ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาจะไม่รู้จักความสุขแบบนี้กันจะรู้แต่ความสุขแบบทางร่างกายกันความสุขที่ได้จากตาหูจมูกิ้นกายจากการได้ดูได้ยินได้ฟัง ได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสกับอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้ทุกครั้งเพราะเมื่อความสุขนั้นหมดไปและไม่สามารถที่จะหาความสุขใหม่มาเติมต่อไปได้การหาความสุขของพวกเรา เราจึงต้องศึกษากันให้รู้ว่าความสุขไหนเป็นความสุขแท้ความสุขไหนเป็นความสุขปลอมความสุขปลอมก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่อยู่ติดกับใจของเราไปได้ความสุขแท้เป็นความสุขที่จะติดอยู่กับใจของเราต่อไปทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่ และขณะที่ร่างกายตายไปแล้วความสุขที่ได้ทางใจจะอยู่ไปกับใจต่อไปนี่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหาความสุขที่จะทำให้เราต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกัน คือความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆที่ให้ความสุขกับเราแต่จะไม่อยู่กับเราไปตลอดวันใดวันหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขกับเราก็จะจากเราไปพอเวลาจากกันก็จะเกิดความ เศร้าโศกเสียใจตามมาแต่ถ้าเราหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมหาความสุขจากการทำบุญทําทานหาความสุขจากการรักษาศีลภาวนาทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดให้ตัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยหลอกให้ไปหาความสุขปลอม ให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะมีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องมีร่างกายร่างกายนี้เป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็จะไม่เดือดร้อน เพระเรามีความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายที่เราสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาและรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาเราจึงควรมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเนื้อหาความสุขแบบปลอมกันความสุขแบบปลอมก็คือ ความสุขที่อำพรานความทุกข์ไว้นี้เองเป็นความสุขที่มีความทุกซ่อนอยู่ที่จะโผล่ขึ้นมาเวลาที่ความสุขปลอมนั้นจางหายไปเปรียบเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมเวลาอมน้ำตาลอมยาที่มีน้ำตาลเคลือบยา ขมอยู่นี่ใหม่ๆมันจะหวานแต่พอน้ำตาลละลายหมดไปก็จะจะลถของยาขมอันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่เราได้ผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปในภายภาคหน้า เวลาที Hola, ่เราสูญเสียความสุขต่างๆไปเวลาเราสูญเสียบุคคลที่ให้ความสุขกับเราเราก็จะเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราสูญเสียสิ่งของต่างๆที่ให้ความสุขกับเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแล้วเราก็ต้องหากันใหม่ เพราะเรายัางต้องการมีความสุขอยู่เราอยู่ปราศจากความสุขกันไม่ได้พอเราสูญเสียคนนี้ไปเดี๋ยวเราก็ต้องหาคนใหม่มาแทนที่พอเราสูญเสียสิ่งนี้ไปเราก็หาสิ่งใหม่มาแทนที่ตราบใดที่เรายังสามารถหาสิ่งต่างๆมาทดแทนสิ่งที่หายไปได้ เราก็ยังพอที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้แต่ก็อยู่แบบไม่มั่นใจเพราะไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราบุคคลที่ให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพรากจากกันเกิดนลิต ความทุกข์ก็จะตามมาเสมอหรือสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ให้ความสุขกับเราบุคคลต่างๆที่ให้ความสุขกับเราเขาไม่จากเราไปแต่เราก็จะต้องจากเขาไปเพราะร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายของเราบางทีมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ถึงแม้สิ่งที่ให้ความสุขกับเรายังอยู่กับเราบุคคลที่ให้ความสุขกับเรายังอยู่กับเราอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการพิกลพิการขึ้นมาเช่นเป็นอมภเพิกกรรมภพากเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ จากบุคคลต่างๆได้นี่แหละคือปัญหาของการที่เราหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกเลงกายกันถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาเราก็ต้องควรเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขผ่านทางร่างกายกันเราลองมาหาความสุข ผ่านการปฏิบัติธรรมกันเถอะปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. ที่ทรงสอนให้เราหาความสุขจากการทำบุญให้ทานจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง mm hmm. ให้หาความสุขจากการรักษาศีลภาวนา mm hmm. ทำใจให้สงบแล้วรักษาความสงบของใจ ให้อยู่ไปตลอดเวลาอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากที่จะทำให้เรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากทางร่างกายวิธีแรกก็คือถ้าเรายังหาความสุขจากการใช้เงินทองอยู่ เราใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลส้นกายกันพระพุท mm hmm. ธเจ้าบอกว่าให้เราเปลี่ยนวิธีให้มาซื้อความสุขด้วยการทําบุญทําทาน mm hmm. เสียสละแบ่งปัน mm hmm. เอาเงินทองนี้ถ้าจะไปซื้อข้าวของก็ได้ซื้อข้าวของแล้วก็เอามาแจกจ่ายกับ คนที่ตกทุกข์ได้ยากเลือดร้อยคนที่เขาขาดแคลนเช่นซื้ออาหารซื้อพวกปัจจัยสี่ของจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่น ใ, ในยุคนี้เราอยู่ในยุคที่มีคนตกงานกัน ม, มีคนที่ไม่สามารถที่จะหาะไรายได้ได้ แต่เขายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีปัดสัยสีเลี้ยงดูเขาอยู่เราแทนที่จะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงดูละครไปดูคอนเสิร์ตหรือไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแหล่งบันเทิงต่างๆลองเอาเงินทองที่เราจะใช้กับการ หาความสุขแบบนี้มาหาความสุขจากการทําบุญทําทานกันเอาเงินไปจะให้เงินทองกับคนที่เขาขาดแขนก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปซื้อข้าวซื้อของเองให้ขับเขาเราก็ให้เงินเขาไปซื้อกันเองก็ได้ mm hmm. เขาขาดอาหารเขาก็จะได้มีเงินไปซื้ออาหาร mm hmm. ขาด ค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆ mm hmm. เขาก็จะได้ mm hmm. บรรเทาความเดือดร้อนของเขาทำให้ความทุกข์ที่เขามีนั้น mm hmm. เบาบางลงไป mm hmm. น้อยลงไปหรือหมดไป mm hmm. พอเราเห็นเข า, เาได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน จากการเสียสละแบ่งปันของเรามันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวจากการใช้เงินไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วตายนเพราะความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจาก รูกเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่มันหายไปอย่างรวดเร็วแล้วมันปล่อยให้เราอ้างวางเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ททำให้เราเกิดความรู้สึกหิวรู้สึกอยากจะไปเที่ยวใหม่อยากจะไปหาความสุขหว่แล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวเราจะรู้สึกกุดหงิดลำคาญใจแต่ความสุขที่เราได้จากการช่วยเหลือแบ่งปันความสุข ของเราให้กับผู้อื่นแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองเข้าของต่างๆบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้ืนให้ผู้อื่นเขาได้มีความสุขบ้างความสุขนี้มันจะเป็นความสุขที่ทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจไม่หิวไม่อยากความหิวความอยากที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูมนกนิ้งกาย จะลดน้อยลงไปน่ะจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าทุกครั้งที่เราจะไปหาความสุขทางตาหูจิตจมูกลิ้นกายนี้เราเอามาหาความสุขจากการทำบุญให้ทานแทนทุกครั้งที่ทำบุญให้ทานใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มใจและความสุขความอิ่มใจนี้ จะทำให้เราไม่หงุดหงิดลาคาญใจเวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเพราะความอยากไปเที่ยวนี้มันจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆทำให้เราอยู่เฉยๆได้ถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีเงินทองไปทำบุญเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด ไม่เหมือนกับถ้าเราไม่มีเงินทองไปเที่ยวเราจะรู้สึกเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเราจะอยู่บ้านอย่างหงุดหงิดลำคาญใจอย่างที่ท่านทั้งหลายคงได้สัมผัสมาในระยะเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมาที่ท่านต้องอยู่กับบ้านกันไม่สามารถไปท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆได้อยู่บ้านแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจ ไม่สุขใจเหมือนกับได้ออกไปเที่ยวแต่สำหรับท่านที่ได้ทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอได้เลือกเที่ยวได้เลือกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายการที่จะต้องอยู่บ้านเฉยๆนี่จะไม่รู้สึกหุดหงยดํำทานใจไม่เดือดร้อนอนี่คือประโยชน์ส่วนหนึ่งที่เราความสุขส่วนหนึ่งในระดับ ทานที่เราสามารถที่จ ะ, ะมีกันได้ <Yeah. S 1> เป็นวิธีแก้ปัญหาเวลาเกิดเวลาไม่มีเงินทองไปใช้ yeah. Yeah. ถ้าเรายังใช้เงินไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <Yeah. S 1> อยู่ <Yeah. S 1> เวลาที่เราขาดเงินทองขึ้นมาเราจะไม่สามารถไปซื้อความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะรู้สึกหงุดหยียดรู้สึกลำคาญใจไม่สบายใจเศร้าใจหนวอยเหงาว้าเหว่ขึ้นมาแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไปซื้อความสุขจากการทำบุญทำทานคือเราไปซื้อข้าวของอะไรต่าง ไปทาบุญที่วัดก็ได้วัดก็เป็นที่ที่ขาดแคลนอยู่เหมือนกันเพราะวัดก็ไม่มีรายได้ไม่มีไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะมีทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาพระที่มาอยู่มาบวชก็ไม่มีรายได้ก็ต้องอาศัยการทาบุญให้ทาน ของศรัทธาญาติโยมญาติโยมที่มาทำบุญ ท, ทาทานอยู่เป็นประจานี้ <Yeah. S 1> จะชอบการทำบุญทำทานจะเป็นจะไม่ค่อยชอบไปเที่ยวกันอาจจะไปบ้างบางโอกาสแต่ไม่มากจะมาทำบุญมากกว่าเพราะได้เปรียบเทียบได้เห็นความแตกตา่าง พ้อมการทําบุญทําทานกับการการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิก้วก่ว่ามันต่างกัน mm hmm. ความสุขอย่างหนึง่งเป็นความสุขที่ทำให้หิวอยู่เรื่อยๆที่ทำให้อยากอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> ความสุขอีกอย่างหนึง่งทำให้อิ่มให้พออยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> นี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการทําบุญทําทาน ถ้าจะเปรียบเทียบก็การทําบุญทําทานนี้เหมือนไปซื้ออาหารมาให้จิตใจถ้าเป็นร่างกายเราไปซื้ออาหารมาให้ร่างกายรับประทานกลับไปซื้อยาเสพติดมาให้ร่างกายเสพอย่างไหนจะมีคุณประโยชน์กับร่างกายกกว่ากันถ้าซื้ออาหารมาให้ร่างกายร่างกายก็จะอิ่ม ถ้าซื้อยาเสพติดร่างกายก็จะหิวก่อนที่เสพ ย, ยาเสพติดนี่จะเลือกซื้อยาเสพติดอยากกินอาหารก็กินบ้างแต่ไม่มากถ้าต้องเลือกระหว่างเอาเงินไปซื้อยาเสพติดกับซื้ออาหารก็จะเลือกซื้อยาเสพติดเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการขาดยาเสพติดมันรุนแรง ป่าความทุกข์ที่เกิดจากการขาดอาหารก็เลยต้องยอมอดอาหารเพื่อซื้อเอาเงินซื้อยาเสพติดมาเสพแทนคนเสพยาเสพติดนี่มักจะผอมแห้งแรงน้อยเพราะว่าต้องเอาเงินไปซื้อยาเสพติดแทนซื้ออาหารมานั่นเองนี่คือความแตกต่าง ถ้าเราใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเหมือนกับซื้อยาเสพติดให้จิตใจเสพจิตใจก็จะผอมแห้งแรงน้อยไม่มีกําลังจะหิวโหยจะอยากอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินทองไปทําบุญทําทานเท่ากับการไปซื้ออาหารให้กับจิตใจทําให้จิตใจนี้ ร่มอบสุขใจมีกำลัง <Yeah. S 1> เหมือนคนที่ได้รับประทานอาหาร yeah. Yeah. นี่วิธีสำหรับท่านที่ยังใช้เงินทองในการหาความสุขอยู่ <Yeah. S 1> ก็ควรจะเปลี่ยนวิธีจากการใช้เงินทองซื้อความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาซื้อความสุขจากการเสียสละแบ่งปันทาบุญทาทาน การทำบุญทำทานนี้จะทำกับใครก็ได้เหมือนกับการรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารชนิดไหนก็ได้ผลจะได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราชอบอาหารชนิดไหนเอเวลาเรารับประทานอาหารนักาาจะเรือกอาหารกันบางคนชอบข้ยเตี๋ยวบางคนชอบข้าวผัด บางคนชอบอาหารไทยบางคนชอบอาหาร Ahhh, จีนบางคนชอบอ <S <S <S บาหารฝรั่งก็ไปเลือกกินอาหารตามชนิดที่ชอบแต ah ่ผลที่ได้จากการรับประทานก็เหมือนกันคือได้ความอิ่มทางร่างกายเหมือนกันการทำบุญให้อาหารทางใจก็แบบเดียวกันอยาททำบุญในรูปแบบไหนก็ได้ทำบุญกับพระกับวัดก็ได้ คนที่ชอบวัดกับชอบพระก็ไปทำบุญกับวัดกับพระคนที่ชอบสนับสนุนการศึกษาก็ไปทำบุญกับสถานศึกษาต่างๆคนที่ชอบโรงพยาบาลชอบสนับสนุนโรงพยาบาลเพราะเห็นคุณประโยชน์ของโรงพยาบาลที่มีต่อผู้อื่นก็ไปทำที่โรงพยาบาลแล้วแต่ คนที่ชอบสงเคราะห์สั์เลี้ยงสัตว์ก็ไปดูแลสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอเช่นสัตว์จรจัด ต, ต่างๆสุนัขจรจัดไม่มีที่พึ่งอาศัยก็ไปเอามาเลี้ยงดูในสถานที่เลี้ยงดูบางท่านก็ชอบปลดปล่อยอิสระภาพให้แกสัตว์ เช่นนกเช่นปลาที่เขาจับมาเพื่อที่จะมาทาเป็นอาหารก็ไปซื้อปลาที่เขาจะมาขายแล้วก็ให้เอาไปทาเป็นอาหารก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยให้เขากลับสู่ธรรมชาติต่อไปให้เขามีสุภาพให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปหรือการไปถ่ายชีวิตวัวควายตามโรงฆ่าสัตวรร์ก็ได้ นี่คือวิธีการทำบุญทาทานต่างๆแต่ผลที่ได้จากการทำบุญทาทานนี้ได้เหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเราจึงมากเลือกทำบุญชนิดที่ทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกับเราเลือกการรับประทานอาหารเราก็เลือกรับประทานอาหารชนิดที่ทำให้เรา เราประทานแล้วมีความสุขใจด้วยมีความอิ่มกายด้วย <Yeah. S 1> การทำบุญก็เหมือนกันถ้าเราไปทำบุญแบบที่เราไม่ชอบทาเราก็จะรู้สึกไม่อิ่มใจไม่สุขใจเช่น <Yeah. S 1> บางทีเราถูกบังคับให้ทำคนเขาส่งซองมาให้เราก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะไปถึงที่ไหนหรือเปล่า <Yeah. S 1> แต่เมื่อเป็นคนรู้จักกันเกงใจกันก็ ทำไปทำแบบนี้จะไม่ไม่แน่ใจว่าได้บุญหรือเปล่าถึงแม้ ว, ว่าจะได้เสียสละเงินทองไปก็ตามก็ได้ส่วนที่เสียสละแต่จะไม่ได้ส่วนที่อิ่มเอิบใจสุขใจตามมาดัางนั้นาการทําบุญก็จะเรียกว่าต้องเลือกทําก็ได้เลือกทา ในแบบที่เราชอบทำกันแล้วเราก็จะได้มีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมามีความสบายใจแล้วการทำบุญแบบที่เลือกกับไม่เลือกนี้ก็มีความแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ทำบุญทำทาง แต่สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมาต่อผู้อื่นเช่นสมมติว่ามีการบอกว่าเวลาทําบุญทำทานนี้ต้องเลือกพระธรรทำต้องเลือกพระดีพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอย่าไปทํากับพระที่ไม่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอย่างนี้บางทีเราไม่รู้ เราอาจจะไปทากับพระที่ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เราก็เห็นว่าท่านเป็นพระถ้าเราทำแบบนี้ก็แบบว่าเราไม่ได้เลือกเพราะเราไม่รู้จะเลือกยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าพระดีกับพระไม่ดีนั้นแตกต่างกันตรงไหนเราก็ทำแบบไม่เลือกไปอันนี้เราก็ได้บุญเหมือนกันเราก็ได้บุญจากการ เสียสละแบ่งปันทำให้เรามีความสุขมีความอิ่มใจขึ้นมา อ, อาจจะไม่เกิดปิติปิตินี้เป็นเป็นของแถมเป็นอารมณ์แถมที่เราอาจจะได้จากทากับบุคคลที่เราชื่นชอบ อ, อันนี้เราก็อาจจะต้องใช้ดุลพินิษเอาบางทีเราก็ทาแบบไม่เลือกทำ ถ้าเราเห็นว่าเป็นการช่วยเหลื อ, อในด้านพื้นฐานของการเลี้ยงชีพเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆเราก็ไม่ไปเลือกว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีคนที่เราดูว่าเขาเดือดร้อนแล้วไม่เดือดร้อนเป็นหลักอันนี้เราก็ทําไปโดยไม่เลือกเพราะมันเหตุการณ์มั น, มนทําให้เราไม่ต้องเลือก เพราะว่าเราเลือกตรงที่ว่าเขาเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนแทนเราไม่ได้ไปเลือกตอนที่เขาดีแล้วไม่ดีแทนแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วเราสามารถเลือกได้ระหว่างช่วยเหลือคนดีกับช่วยเหลือคนไม่ดีเราก็ต้องเลือกช่วยเหลือคนดีดีกับไปช่วยเหลือคนไม่ดีเราไปช่วยตำรวจหรือเราจะไปช่วยโจรดี ตำรวจเขาก็มาช่วยรักษาสันติภาพความสงบสุขให้กับบ้านเมืองโจรผู้ร้ายเขาก็มาสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองอยงนั้นถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เรารู้และเราสามารถแยกแยะได้ว่าคนดีเป็นอย่างไรคนไม่ดีเป็นอย่างไรเราก็ต้องอย่าไปสนับสนุนคนไม่ดียกเว้นในกรณี ที่เป็นเรื่องของอมนุษยธรรมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ควรจะช่วยเช่นเราเป็นหมอเราบอกว่าเราไม่รักษาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนไม่ดีก็ทำไม่ได้ก็ต้องรักษาไปเหมือนเวลาเจ้าหน้าที่ตารวจไปไล่จับผู้ร้ายแล้วเกิดการต่อสู้กัน แล้วผู้ร้ายก็ถูกยิงบาดเจ็บเลยเจ้าหน้านนที่ตำรวจก็ยังต้องจับผู้ร้ายนี้ไปส่งโรงพยาบาลไปรักษาชีวิตเขาไว้ก่อนแล้วก็หลังจากที่เขาหายแล้วก็ไปดำเนินคดีต่อไปนี่คือวิธีทาบุญที่ต้องใช้ดุลพินิษฐ์ถ้าเราสามารถเลือกทากับคนที่ดีได้ ก็ทำกับคนที่ดีดีกับคนทำคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นค า, ารวะหรือเป็นพระก็ตามทำกับพระดีท่านก็ทำความดีให้กับสังคมให้กับศาสนาทำกับพระไม่ดีท่านก็มาทำลายสังคมมาทำลายศาสนาแต่ถ้าเราไม่รู้เช่นเราไปเห็นพระเดินบิณฑบาตมาเราไม่รู้ว่าท่านมาจากวัดไหนเป็นใครก็ตาม แต่เรามีความอยากจะสนับสนุนพระพุทธศาสนาเราก็ทำไปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเขาบอกันบูชาผ้าเหลืองตัวแทนของผ้าเหลืองมาเพราะท่านก็เป็นเหมือนผู้ที่มาสืบทอดศาสนาอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่รู้เราก็อย่าเพิ่งไปโยนของทั้งเข่งทิ้งไปนะ mm hmm. เช่นเขาว่าปลาเน่าตัวเดียว ไม่ได้เน่าทั้งเข็งก็เลือกปลาเน่าทิ้งไปเก็บปลาดีไว้ถ้าเราเลือกได้ดังนั้นบางทีก็จะมีคนสอนว่าให้เลือกทํากับพระทาําพระกับพระดีจะได้บุญมากความจริงคนทํานี้ได้เท่ากันทํากับพระดีหรือทํากับพระไม่ดีได้เท่ากันมันอยู่ที่จํานวนการเสียสละของผู้กระทํามากกว่า ถ้าจํานวนเท่ากันทํากับคนดีหรือทํากับคนไม่ดีก็ได้ความอิ่มใจเท่ากัน <Yeah. S 1> ถ้าอยากจะให้ความสุขหรือบุญความอิ่มใจนี้มากขึ้น <Yeah. S 1> ก็ต้องทำสองเท่า <Yeah. S 1> ถ้าเราทำร้อยหนึ่งเราลองทำสองร้อยดู <Yeah. S 1> เราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นได้ความอิ่มใจสุขใจเพิ่มขึ้น <Yeah. S 1> อันนี้ผลที่เกิดจากผู้ที่ ผู้ที่ทําบุญไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นผู้รับจากการทําบุญอยู่ที่การให้ของผู้ทําบุญเองให้มากให้น้อยให้มากก็จะได้ความสุขใจได้ความอิ่มใจมากให้น้อยก็ได้ความอิ่มใจความสุขใจน้อยก็ลองสังเกตอยู่เวลาเราทําบางทีเราก็ทําน้อยบางทีเราก็ทํามาก บางทีเราทําแล้วเราก็จะรู้สึกเองว่าเป็นอย่างไรดังนั้นเรื่องของการทําบุญเพื่อให้ใจมีอาหารนี้ทํากับใครได้ทั้งนั้นเหมือนกับเลือกอาหารชนิดไหนมารับประทานรับประทานแล้วก็ได้ความอิ่มใจสุขใจเหมือนกันแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วย บุคคลที่เราพูดถึงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยก็คือความรู้ของเขาถ้าเราไปทำบุญกับหมอไปทำบุญกับโรงพยาบาลนี้หมอเขาก็จะพูดคุยเรื่องโรคต่างๆให้เราฟังเช่ mm. นตอนนี้มีโรคระบาดเขาก็จะสอนจะบอกเราวิธีป้องกันวิธีดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆ อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์เขาเรียกว่าผลพลอยได้ซึ่งบางทีเราก็จะไปคิดว่าเป็นบุญไปเรียกว่าเป็นบุญด้วยเขาก็เลยบอกว่าทําบุญกับคนฉลาดนี้จะได้บุญมากกว่าทําบุญกับคนโง่ถ้าไปทําบุญกับคนโง่เขาก็ไม่รู้เรื่องโรคระบาดต่างๆเขาก็จะไม่มาบอกวิธีป้องกันโรคระบาดให้กับเรา ดีไม่ดีเขาอาจจะอวดเก่งว่าไม่ต้องทานู่นไม่ต้องทานี่<ม>ก็ได้ดีไม่ดีทาให้เราต้องไปติดโลก<ม>แทนก็ได้ถ้าเราไปทำบุญกับพระพระก็มีพระที่ฉลาดกับพระที่ไม่ฉลาด<ม>พระที่เรียนมากกับพระที่เรียนน้อย<ม>พระที่ปฏิบัติมากกับพระปฏิบัติน้อย ความรู้ทางธรรมของท่านก็จะมีต่างกันไปแล้วเวลาเราได้ไปสนทนาได้ไปฟังธรรมกับท่านเราก็จะได้ความรู้ตามระดับของท่านถ้าท่านเป็นพระที่รู้แต่วินัยรู้จกักศีลท่านก็จะพูดแต่เรื่องศีลให้เราฟังถ้าพระรู้เรื่องทาบุญทาทานท่านก็จะพูดเรื่องทาบุญทำทานให้เราฟัง วิธีกิจวิธทำบุญชนิดต่างๆทำบุญแบบไหนบ้างสร้างโบสถ์บ้างสร้างเจดีย์บ้างสร้างห้องน้ำสร้างเมนสร้างอะไรต่างๆท่านก็จะสอนสอนและบอกเราเรื่องราวที่ท่านรู้ให้เราฟังถ้าเราไปทำบุญกับพระปฏิบัติธรรพระที่ได้จเจริญสมาธิรู้จักวิธีเข้าฌานระดับต่างๆ เราก็จะได้เรียนรู้วิธีเข้าฌานระดับต่างๆจากท่าน <Yeah. S 1> ท่านก็จะสอนจะบอกเราหรือถ้าเราอยากจะรู้เราก็ถามได้ <Yeah. S 1> ว่าวิธีเข้าฌานจะต้องทำอย่างไรบ้าง <Yeah. S 1> แล้วฌานนี้ดีอย่างไร <Yeah. S 1> มีประโยชน์อย่างไร <Yeah. S 1> ท่านก็จะอธิบายให้เราฟัง <Yeah. S 1> ถ้าเราได้ไปพบกับพระอริยบุคคล <Yeah. S 1> เราก็จะได้เรียนรู้โลกุตละธรรม yeah. ทำที่พาให้จิตใจนี้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็จะสอนให้เราปฏิบัติถ้าท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็จะสอนระดับของพระโสดาบันให้เราฟังถ้าท่านเป็นพระสกิทาคามีท่านก็จะสอนระดับของพระสกิทาคามีสูงขึ้นไปอีกระดับพระอนาคามีก็สูงขึ้นไปอีกระดับพระอรหันต์ก็สูงขึ้นไป ถ้าเจอพระพุทธเจ้าก็ยิ่งได้ความรู้ที่ทำให้เรามองเห็นธรรมได้ง่ายขึ้นธรรมนี้อยู่ที่คนสอนคนชี้คนบอกธรรมันเดียวกันนี้แะแต่คนสอนแต่และคนนี่สามารถชี้ให้เห็นได้ชัดแจ้งไม่เท่ากันพระพุทธเจ้านี้ท่านมีวิธีการหรือว่าท่านรู้ว่าเรากาลัง มองไม่เห็นตรงจุดไหนท่านก็จะเน้นไปตรงจุดนั้นให้เราเห็นธรรมตรงจุดนั้นแต่สำหรับพระอารหันต์ท่านบางองลูกท่านอาจจะไม่มีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระอารหันต์เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ท่านสิ้นกิเลสได้แต่วิธีการสอนให้ผู้อื่นสิ้นกิเลส น, นี้อาจจะสอนได้ยากง่ายต่างกันไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระระดับต่างๆเขาถึงมีการเปรียบเทียบว่าทมบุญกับพระธรรมดาจะได้หนึ่งเท่ า, าทาบุญกับพวกพระผู้ทรงศีลจะได้สิบเท่ า, าทำบุญกับพระพระที่ได้สมาธิจะได้ร้อยเท่ า, าทำบุญกับพระโสดาบันจะได้พันเท่า พระสกิราคามีได้หมื่นเท่าพระอนาคามีได้แสนเท่าพระอรหันได้ล้านเท่า <heights. S 1> พระปะเจกพระพุทธเจ้าได้ร้อยล้านเท่า <heights. S 1> พระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้เบื่นล้านเท่าคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลเหล่านี้ได้รับมากน้อยต่างกัน ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอาจจะบรรลุภายในขณะที่ฟังเลยก็ได้ฟังธรรมจากพระโสดาบันอาจจะได้แค่ระดับโสดาบันทำบุญกับพระที่ได้แค่สมาธิก็จะไม่สามารถสอนให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ดังนั้นบุคคลต่างๆนี้ที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเวลาที่เราไปทำบุญนี้เขาก็จะสามารถ มีผลต่อตอชีวิตของเราเออถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนไม่ดีเออช่นไปเกี่ยวข้องกับคนที่ชอบอบายามุขเนี่ยเขาก็จะชวนเราว่าบ่อนตรงนั้นดีนะออที่ดื่มสุราตรงนั้นดีออมีมุมดีมีบรรยากาศดี อ, อ, อะไรต่างๆเออนี่ก็เป็นอีกพวกหนึ่งถ้าเราไปทำบุญกับเขาเออเออไปช่วยเหลือเขาเลือไปร่วม ทำบุญอะไรกับเขาเดี๋ยวเวลาคุยกันเขาก็จะคุยเรื่องที่เขารู้ถ้าเขารู้ว่าบาไหนอยู่ที่ไหนวันไหนอยู่ที่ไหนเขาก็จะบอกเราว่าให้ไปที่ตรงนั้นตรงนี้นะหรือถ้าคนที่ชอปปิง้งเ้าก็จะบอกอที่ไหนแหล่งชอปปิ้งดีของดีของถูกของแท้ หรือคนที่ท่องเที่ยวเก่งเนี่ยก็จะบอกว่าไปเที่ยวที่นั่นสิไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้เ <Yeah. S 2> นี่ยบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเขาก็จะบอกในสิ่งที่เขารู้ที่เขาชอบให้เราฟัง <Yeah. S 2> แล้วถ้าเราเป็นคนที่หัวอ่อนไม่ <Yeah. S 2> ยังไม่รู้ผิดถูกดีชั่วอะไร <Yeah. S 2> พอกายเขาโน้มน้าเราเราก็จะไปตามเขา เขบอกเออไปทำนี้สนุกนะมีความสุขนะเราก็จะไปกับเขาอันนี้เรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆในเวลาที่เราไปทำบุญเราต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเพราะบุคคลเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากเราโรงเรียนเขาก็จะรู้เรื่องของการศึกษาโรงพยาบาลเขาก็จะรู้เรื่องการร่ำเรียน วัดวาอารามพระเนรก็จะรู้เรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกถ้าเราอยากจะได้สิ่งไหนเราอยากได้ธรรมะเราก็ต้องไปหาผู้ที่มีธรรมะแตเราอยากจะได้เรื่องการรักษาพยาบาลเราก็ไปหาแพทย์หาพยาบาล อยากได้วิชาความรู้ทางโลกก็ไปสถาบรรันการศึกษาต่างๆนี้เป็นเรื่องของการทําบุญทําทานที่เป็นของแถมแต่ของหลักคือคืออาหารคือความอิ่มใจนี่เราทํากับใครได้เหมือนกันทํากับพระก็ได้ความอิ่มใจทํากับโยมก็ได้ความอิ่มใจทํากับสัตว์เลี้ยงชานก็ได้ความอิ่มใจ ส่วนประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลเหล่านั้นก็ต่าง ก, กันไป <Yeah. S 1> เขามีอะไรเขาก็จะให้สิ่งที่เขามีกับเรา <Yeah. S 1> สิ่งที่เขาไม่มีเขาก็ให้กับเราไม่ได้ <Yeah. S 1> อันนี้คือ <Yeah. S 1> เรื่องของวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง <Yeah. S 1> ถ้าเรายังอยู่ในฐานะหาความสุขด้วยการใช้เงินทองอยู่ yeah. แต่ถ้าเราอยู่อีกระดับหนึ่งคือคือเราเลือกใช้เงินทองเป็นการหาความสุขเพราะเราเห็นว่ามันก็ยุ่งยากเพราะต้องคอยหาเงินหาทองอยู่เรื่อย <Yeah. S 1> แล้วก็เงินทองก็ไม่แน่นอน <Yeah. S 1> เวลาขาดแคลนขึ้นมาก็มีปัญหาได้ <Yeah. S 1> ก็ อ, อยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้เงินทอง <Yeah. S 1> ก็มีอีกวิธีหนึ่งคือวิธี ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจเจริญจิตภาวนารักษาศีลแปดรักษาศีลพรมจรรย์แล้วก็ปฏิบัติสมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนา เ, นเพื่อทําจิตใจให้สงบเวลาจิตใจสงบก็จะได้รับความสุขใจที่มากกว่าความสุขใจที่เราได้รับจากการทําบุญทําทานหลายร้อยเท่าหลายสิบเท่าด้วยกัน จะเป็นความสุขเต็มร้อยก็ได้ของใจความสุขเต็มร้อยของใจนี้จะได้จากการเจรานสมถะภาวนาเวลาจิตเข้าสู่ความสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาจิตจะมีความสุขเต็มร้อยแต่เป็นความสุขเต็มร้อยแบบชั่วคราวอยู่ได้เดียวๆไม่นานเดี๋ยวก็ต้องออกมา เพราะกาลังที่คอยผลักดันจิตใจให้ออกมาทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้ยังไม่ได้ถูกกําจัดด้วยการภาวนาสมถาภาวนาด้วยการใช้สติสติเป็นผู้ที่ผลักดันจิตให้เข้าไปข้างในส่วนความอยากทางตาหูจมูกนิ้วกายคือกามะตัาหาจะเป็นผู้คอยผลักดันจิตให้ออกมาทางตาหูจมูกนิ้วกายนะ ถ้าเราไม่เจริญสติเราไม่นั่งสมาธินี้จิตจะไม่เข้าข้างในเลยถ้าสังเกตดูจิตมันจะออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวก็อยากจะดูนั่นเดี๋ยวก็อยากจะฟังนี่เดี๋ยวอยากจะดื่มนั่นอยากจะรับประทานนี่มันจะออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาฝึกสติกันใชจ่จะเจริญคาบริกรรมพุทธโธพุทธโธเนี่ย พอเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเราก็ไปหยุดความคิดความอยากในทางตาหูจมูกนิ้งกายพอความคิดทางตาหูจมูกนิ้งกายไม่คิดไม่อยากขึ้นมาจิตก็ถูกสติผักดันเข้าไปข้างในผักออกจากตาหูจมูกนิ้งกายให้เข้าไปสู่ภายในใจทีนี้มันก็เป็นเรื่องของกําลังของสองฝ่าย ฝ่ายผักเข้ากับฝ่ายผักออกฝ่ายผักเข้าก็คือคำปฏิกรรมพุทโธพุทโธหรือทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มีสี่สิบชนิดด้วยกันเป็นกรรมฐานที่เราใช้เพื่อเจริญสติเพื่อหยุดความคิดหยุดความอยากชั่วคราวอันนี้มันก็จะคอยดันใจให้เข้าไปข้างในนส่วนความอยากนี้มันก็คอยดันออกมาอยู่เรื่อยๆความอยากนี้มัน เป็นเหมือนน็ที่มันไ ม, ไ, ไ, ม ไ, มไม่ได้ดับเครื่องมันติดเครื่องอยู่ตลอดเวลาความอยากงั้นถ้ากาลังของสติน้อยกว่าความอยากความอยากมันก็จะดันให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าสติมีกำลังมากกว่าความอยากความคิดมันก็จะไม่คิดไปในทางความอยากมันก็จะนิ่งจะเฉยจะสงบขึ้นมาได้ แต่สติที่เราสร้างขึ้นมานี้มันก็ยังเป็นสติแบบล้มลุกคลุกขานอยู่หรือเป็นสติแบบเฉพาะกิจช่วงไหนที่เรานั่งสมาธิตอนนั้นเราก็เจริญสติกันอย่างเต็มที่มันก็ดันใจให้เข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในพอใจสงบนิ่งปั๊บเราก็หยุดเจริญสติพอหยุดเจริญเดี๋ยวความอยากที่มันไม่หยุดเดี๋ยวมันก็ดันใจออกมาอีก เราจึงไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะต้องมีออกมายกเว้นผู้ที่ไม่มีความอยากเท่านั้นแต่ถึงแม้ไม่มีความอยากมันก็มีเรื่องของร่างกายอยู่เพี่ยงจะดึงใจให้ออกมาดูแลร่างกา ย, อ, ยอันนี้ไม่ได้ออกมาด้วยความอยากแต่ออกมาเพราะร่างกายมันจะกระตุน้นจะดึงใจบอกให้ถึงเวลาต้องมาดูแลร่างกายแล้ว ร่างกายปวดท้องฉี่แล้วร่างกายหิวน้ำแล้วร่างกายต้องเติมอาหารแล้วอันนี้ร่างกายมันก็จะเป็นตัวดึงจิตให้ออกจากสมาธิมาดังนั้นการปฏิบัติสมาธินี้เราก็จะได้รับความสุขเป็นพักๆไปช่วงที่เรานั่งสมาธิแล้วทําจิตให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เราก็จะได้สัมผัสกับความสุขเต็มร้อย ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <Yeah. S 1> จะได้มากได้น้อยได้นานหรือไม่นานก็อยู่กำลังของสติ <Yeah. S 1> ถ้าเราฝึกสติได้ร้อยละสิบเราก็จะอยู่ได้ร้อยละสิบถ้าเราฝึกสติร้อยละยี่สิบมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นไป่ <Yeah. S 1> ังนั้นเวลาที่เราไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิ เราควรพยายามฝึกสติเพิ่มสติให้มีมากขึ้นเพราะการเจริญสตินี้เราต้องทําตลอดเวลานับตั้งแต่ที่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรานอนหลับเวลาไหนที่เราไม่เจริญสติเวลานั้นเราปล่อยให้ความคิดไหลไปตามความอยากทันทีเห็นไหถ้าเราเจริญสติปุ๊บเราก็จะเบรกความคิดที่จะดึงที่จะดึงใจไปในทางความอยาก เวลาเราหยุดสติเมื่อไหร่ความคิดโผล่ขึ้นมามันก็จะดึงใจให้ไปทางความอยากทันทีนะในเบื้องต้นนี้มันก็เป็นการปฏิบัติดับล้มลุกคุกคานไปก่อนนะเราจเจริญสติได้สองสามเก้าเขาล้มลงไปนะแล้วก็คลานไปแล้วเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมายืนใหม่แล้วก็เดินใหม่นะจเจริญพุโทโธได้สองสาคำลืมไปละไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้ บางทีชั่วโมงหนึ่งถึงยังลึกได้ว่าผู้โทหายไปไหนอัอวข้อมูลแต่ไปเรื่องเพราะมันมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาดึงใจเราไปเรื่อยๆถึงแม้เราอยู่คนเดียวมันก็ทําให้เราเดี๋ยวเผลออดคิดถึงเรื่องนั้นเรือ น, นี้ไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับคนคนที่ต้องทํางานอยู่นี้มันมีเรื่องมาคอยดึงใจให้ไปคิดอยู่กับเรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลาออ น, นการเจริญสติของคนที่ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆคนที่ยังต้องทำงานทำการอยู่นี้จะยากมากจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ผู้ที่ต้องการเจริญสติเพื่อให้เกิดผลจึงมักจะต้องไปปีกวิเวกกันต้องหาเวลาว่างถ้ายังเป็นพารวาทุครองเรือนอยู่ต้องหาเวลาว่างจากภารกิจการงานเช่นวันหยุดทำงานแล้วก็ไปปีกวิเวกไปหาสถานที่ที่เราอยู่คนเดียวได้ เพืไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เขาจัดที่ให้เราอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องจะได้ไม่มีอะไรมาคอยดึงใจฉุดใจให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งเรื่องราวต่างๆที่คนในโลกนี้คิดกันก็คิดเรื่องของตาหูรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่กินหาเงินหาทองหาผลประโยชน์ก็พวกที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกกันเท่านั้น ดังนั้นการภาวนาจะให้ได้ผลดีจำเป็นที่จะต้องปรีกวิเวกถือศีลแปดแล้วขอได้สถานที่ดีก็ต้องคอยควบคุมใจคอยจเจริญสติอยู่อย่างสม่ำเสมอเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็จเจริญพุโทโธไปเลยอย่าให้คิดถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นว่าเดี๋ยวจะต้องไปทาอะไรต่ อ, อ พอรู้แล้วก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อเราก็ไปดำเนินการตามที่เราคิดไว้ว่าเราต้องไปทำอะไรคิดให้น้อยที่สุดให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันถ้าทำอย่างนี้แล้วจะมีสติจะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น และเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้นานขึ้นยาวขึ้นไป <S <S อันนี้เป็นวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทอง <S <S แต่ต้องใช้เวลา <S <S ต้องมีเวลาว่างต้องมีเวลาที่จะอยู่คนเดียวได้เะฉะั้นคนที่ต้องการก็ต้องหาวิธีตัดความผูกพันต่างๆกับบุคคลต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆกับการงานต่างๆ ให้ได้ถึงจะสามารถไปเจริญสมาธิเจริญสติได้อย่างมีเหตุอย่างเป็นกอบเป็นกรรมแต่ถ้ายังต้องมาเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็จะได้แบบล้มลุกคุกคานไปได้พีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยถ้าเราที่ว่าเราอยากจะได้ความสุขแบบนี้ เราก็พยายามเจริญสติในช่วงที่เราว่างเวลาที่เราว่างจากงานอาจจะเป็นแค่15นาที20นาทีก็ไปหามุมสงบที่ไหนคนเดียวแล้วก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปก็ได้ถึงแม้จะไม่รวมเป็นสมาธิก็อย่างน้อยก็ช่วยลดกระแสของความอยากความคิดให้น้อยลงไปให้เบาลงไปต้องคอยทำอยู่เรื่อยๆต้องฝืนอยู่เรื่อยๆ อานนี้ต้องใจเย็นอย่ารีบร้อนอย่าอยากได้ผลทันทีไม่เหมือนกับอของต่างๆในโลกนี้กดปุ่มปั๊บก็โผล่ขึ้นมาเลยอันนี้ต้องใช้หลักความคิดว่ากุงโลมไม่ได้ร้างไม่ได้สร้างในวันเดียวสติสมาธิก็ไม่ได้สร้างในวาระเดียวมันต้องมันคอยสร้างคอยจเจริญอยู่เรื่อย แล้วมันจะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นไปตามลำดำับแล้วเดี๋ยววันดีขึ้นดีมันก็จะแสดงผลให้เราเห็นทําจิตให้รวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้อันนี้คือวิธีการหาความสุขของการภาวนาขั้นต้นคือขั้นสมาธิซึ่งยังเป็นขั้นชั่วคราวอยู่ซึ่งขั้นที่สองที่เราต้องทําคือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาเพื่อที่จะทาลายตัวที่จะมาคอย ทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิคือความอยากต่างๆความอยากนี้มันจะอยากได้รูปเสียงกิน่นรถเราก็ต้องสอนใจให้เห็นว่ารูปเสียงกิ่นรถนี้เป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้จะสั่งให้มันให้ความสุขอยู่กับเราไปตลอดก็ไม่ได้วันดีคืนดีมันก็หายไปได้คือสอนให้เราเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในสิ่ง พอเราเห็นว่ามันเป็นตายรักว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเสื่อมต้องหมดมันจะทำให้เราทุกข์มันก็จะทำให้เราหยุดความอยากได้ <Yeah. S 1> ถ้าเราใช้ตายรักพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปความอยากที่มาคอยทำลายความสงบของสมาธิก็จะหายไปหมดพ อ, อมันหายไปหมดความสงบของสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบที่ถาวรต่อไปเป็นความสงบที่เราเรียกว่าพระนิพพาน นิบานังปะมังสุขขังเป็นความสุขที่ที่สูงสุดเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมนี่แหละคือเรื่องของการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพอมีความสุขแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายตายไปแล้วก็จะกลับไม่ก็จะไม่ไปหาร่างกายใหม่มาเกิดอีกอก็จะไม่มีความทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่ถูกต้องคือคาหาความสุขทางใจด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าขั้นต้นก็ให้หาความสุขจากการทําบุญทําทานถ้ายังใช้เงินใช้ทองหาความสุขเก็ ทัน ท, nope. ท, ที่สองก็ให้หาความสุขจากการรักษาสีนภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดแล้วจะมีความสุขไปตลอดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริกวาหาปูราปาริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตุทิมนางเปตานังอุปกาปติ อิติตังปฏติต um ังตุมหังเคลปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราสุยะามันิโชติราสุยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวะโตอันตารายสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารธรร ม, มาวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลาช่วงต่อไปก็จะเป็นการถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษแต่ก่อนที่จะถามก็อยากจะ ให้รายงานว่าวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามา430ย t u b บ253วิทยุออนไลน์7ซูม16รวมทั้งหมด706ครับอันนี้มีผู้ติดตามผู้มาฟังทำอยู่ยประมาณ70คนคนนี้อ10คนอันนี้ ตอนนี้ก็ยังเปิดข้างบนยังเปิดไม่ได้เพราะเขาค่อนข้างจะเข้มงวดเขากลัวจะไปติดเชื้อกันก็เลยอาจจะต้องทําอย่างนี้ไปพังๆก่อนจนกว่าที่เขาจะเปิดอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบได้ขาว่าเขาอาจจะให้เข้าไปได้ไม่เกินแปดสิบคนครั้งแรกเราบอกว่าถ้ามันมีเงื่อนไขก็อย่าไปเปิดดีวกว่าเดี๋ยวคนที่เข้ามาคนแปดสิบ็ดก็เข้าไม่ได้ มันก็จะทำให้เสียความรู้สึกเปล่าเรื่องศาสนานี่มันต้องเปิดกว้างดีกว่าถ้ารับไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเอาแบบนี้ไปก่อน